พิปิศาถือว่าเห็นแจ้ง<ม>เห็นเด่นเห็นชัดเห็นแปกเห็นแต ก, แกเห็นต่างเห็นอลวงหน้าต่างกอภาะวะเดิมพิปิศาเพราะฉะนั้นเห็นแจ้งระหว่างอะไรระหว่างรูปกับนามเห็นชัดว่าเราทําไมต้องเห็นแจ้งตู้นามเพื่อจะได้แยกออกว่ารูปทําหน้าที่อย่างหนึ่งนามทําหน้าที่อย่างหนึ่ง แต่เมื่อก่อนเราเห็นว่ารูปนามนี้เป็นเราแต่พอมาปฏิบัติวิปัสนาต้องให้เห็นว่ารูปรูปนี้เป็นเป็นนามและเป็นรูปตัวนี้เป็นนามเป็นรูปเป็นทั้งนามเป็นทั้งรูปไม่ใช่เป็นตัวเราและมันเป็นนะรูปนามนะและรูปนามนี้ก็ต้องเป็นเกิดขึ้นเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตา เกิดขึ้นเพราะความเปลี่ยนแปลงแปลี่นแตกดับเป็นขบวนการของมันเรียกว่าเกิดกับดับอันเกิดคืออ น, นิจจงดับคืออนัตตาแต่ในตัวจังที่มันเกิดนี้ถ้าไม่ใส่ใจกำหนดเรียนรู้อ น, นิจจงอย่างชัดแจ้ง อันนี้จังก็จะก็ให้เกิดทุกขังแต่ถ้ารู้อันนี้จังอย่าชัดแจ้งอันนี้จังก็เปลี่ยนเป็นตัวปัญญาแต่ถ้าก็รู้ไม่รู้อันนี้จังอย่าชัดแจ้งก็เกิดเป็นทุกขังก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นในตัวรูปนาม วิปัสนาเบื้องตน้นนี้ท่านจึงให้แยกกันออกให้ชัดว่ามันเกิดเราตามรู้ของการเกิดอะไรจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้ตามรู้การเกิดผลออกมาเป็นอย่างไรมันก็จะมีสองอย่างอให้ไปเห็นตัวนี้ที่บอกอเมื่อวานนี้ถ้า มันเกี่ยวข้องรูปนามเกี่ยวข้องกับ น, นามรูปอย่างไรถ้าเร า, ารูปนี้ทํางานเป็นอนิจจังถ้าเราตามรู้ผลของมันนะคือเป็นทุกขังร่างกายนี้มันทํางานไม่ว่าเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามมันจะเปลี่ยนเป็นเกิดเป็นทุกขังมีความไม่สบายากายต้องเกิด ตัวนิจังทุกขังจึงเกิดเป็นรวมเป็นตัวเกิดเรียกว่าเป็นทุกข์ทีนี้ตัวเกิดเนี่ยมันจะเป็นตัวมันจะดับเป็นแบบมโนาตาคือดับแล้วทําให้เกิดปัญญาเพืะอที่อยู่ที่ว่าเราตามรู้หรือไม่ตามรู้เราได้วิปัสนาหรือไม่วิปัสนาถ้าเราวิปัสนาอนิจังทุกขงังมันก็จะเป็นปัญญา ถ้าเราไม่วิปากษาณทุกขังอ น, นิจจังมันก็เป็นอนัตตานั่นหมายความว่าการดับพวมันเป็นอนัตตาตัวนี้ก็จะนำไปสู่นา ม, มารูปแต่ถ้าการดับตัวนี้เป็นปัญญาก็นำไปสู่ตัวธรรมหรือตัวญาณหรือตัวปัญญาไม่เป็นนา ม, มารูป เพราะน้นนามรู ป, เ, ปเกิดที่ว่าเราไม่ได้ตามรู้อนิจจังทุกขังเมื่อดับก็ไปเกิดใหม่เกิดเป็นนามรูปแต่ถ้าหากว่าเราตามรู้อนิจจังทุกขังเมื่อมันดับมันก็เกิดเป็นปัญญาไม่เป็นอนัตตาก็ไม่มีนามรูปเกิดปัญญาแทน ปัญญาไม่ใช่นามาลูปปัญญาเป็นนามล้วนๆเป็นนามล้วนๆนี่คือทุกทวนนะทุกขทวนที่เราไปทุกคนอย่างนี้ไหมวันนี้มี่ทุกคนออกมาแบบนี้หรือเปล่าแล้วเมื่อวานหลวงพ่อว่าเออถ้าทบทวนลูกนามออกมาแบบนี้แล้วหลวงพ่อก็พ่วงไปอีกคำถามหนึ่งว่า นามรูปมีลักษณะการดับเกิดดับได้อย่างไรใช่อ่าเรารู้แต่ที่เมื่อกี้เราเรียนรู้ว่ารูปนามเกิดดับด้วยขบวนการของอนิจจังทุกขังหน้าตาแต่พ่อให้พ่วงต่อคําถามว่านามรูปเกิดด้วยอํานาจอะไรลักษณะอย่างไรใช่ไหมแล้ววันนี้ไปพิพพปพจารณาออกมาเป็นไงบ้างอืมแปน่นัอนไร ว่ามันเกิดอย่างไรร ะ, ะดับอย่างไรอันนี้ปัญหาที่ตั้งไว้ใช่ไหมแต่ถ้าจะดูในช็อตต่อไปแล้วมันเกิดเกิดมาจากการพูนแต่งแต่ที่มันดับมันดับเพียงไรถ้าไมไม่ตอบว่าเกิดขึ้นได้กับความเพียร <c oughs> มันไม่มีความเพียรจะเกิดขึ้นได้อย่างไร <c oughs> ถ้ามันเกิดขึ้นที่ไม่เกิดจากความเพียรตัวรู้ตัวนั้นก็ไม่ใช่ตัวรู้ที่เป็นสัมมาสติ มันรู้โดยสัญชาตญาณรู้ได้เหมือนกันแต่ถ้ามันผ่านสัทธาและความเพียรตัวรู้ตัวนั้นจะเป็นสมารสติเพราะฉะนั้นถามหาว่าตัวตามรู้ก็ดีตัวรู้ก็ดี ต, ดตัวเท่าทียมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นด้วยสัทธาและความเพียรอ่ราก็พอสติสมริติปัญญาก็เกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้น น, นเมื่อเราตามรู้อ่าตัวอนิจจังทุกขงังอนัตตาปัญญาเกิด มาทําให้รูปนามนามรูปเร้เนก็ดับแต่ถ้าหากไม่ได้ตามรู้อ น, นิจจังผู้ขังนาตาอนัตตาเกิดนํารูปก็เกิดอันนี้ลักษณะการเกิดของมันคือที่ว่าตัวรู้ที่เราฝึกด้วยอํานาจของศรัทธาและความเพียรเข้มแข็งไหมถ้าเข้มแข็งก็ตามรู้การเกิด พันปัญญาเกิดนำรูปก็ดับแต่พอหากว่าตัวรู้ที่เกิดไม่สามารถตามรู้ตัวอนิจจังทุกขังได้นามรูปก็เกิดปัญญาก็ดับแต่นามรูปดับก็เปลี่ยนเป็นปัญญาเมื่อวานเราถามกันแค่นี้ใช่ไหมคนอื่นเห็นด้วยไหมตอบไปเรียบร้อยแล้วด้วยเห็นไม่เห็นด้วยยังไม่ทันได้ถามเลยเพราะฉะนั้น ก็จะถามข้อใหม่ว่าวันนี้นิวรณ์เกิดก็ปัญหาพื้นฐานอย่างนี้อยให้มันเกิดเพราะมันของง่ายๆก็ <c oughs> ถามว่านิวรณ์เกิดได้อย่างไร เ, เ, ไไงเพะ <Okay. S 1> เดี๋ยวนี้เป็นได้ไงเธอตอบเมื่อเดี๋ยวนี้เป็นได้ไงเธอตอบปัญหาอยู่มันจะมง่วงตอนนี้ได้ไงเหือ <c oughs> นมันเป็นอดีตอนาคตไปแล้วไม่ใช่ตอนนี้แต่นี้เราต้อพูดถึงเรื่องปัจจุบันต้องรู้เลยต้อรู้ มันมาไม่ทันข้อขัดอะไรตัวนี้เป็นสูตรตายตัวที่ต่อไปหมดแล้วนะเธอทําท่าลืมที่ใหญ่หแล้วทุกต่อไปเมื่อกี้นี่ยังลืมนะก็ศรัทธาอยู่นะเพียรอยู่นะแต่มันไม่มีกําลังศรัทธาและความเพียรมันไม่มีกําลังใช่ไหมถ้าศรัทธาดีความเพียรกําลังดีความเพลินความเผยจะเกิดไม่ได้อะความเพลินเผอเกิดได้เพราะศรัทธาและความเพียรมันอ่อนใช่ไหมเป๊ะเลย ก็ทําเต็มที่แล้วแต่นั่นแหละมันมันยังอ่อนอยู่มันไม่พอถ้ามันพอแล้วมันแข็งแต่ที่มันไม่พอทํำยังไงมันก็ยังอ่อนอยู่มันไม่พออย่างคนทํางานผมก็ทํางานเต็มที่แต่ผมก็ยังเป็นหนี้อยู่นะหลวงพ่ออ่า อ, องค์ของความเพียรที่มันแข็งคือใครหนึ่งระมันระวังไม่ให้สิ่งที่นิวรณมันเกิด <S <S ใช่ไหม มังอนรถ้าจะเกิดต้องละเหตุมัน ท, ทันทีสามพยายามปรับปรุงตัวตื่นรู้เนะี่ยให้เข้มแข็งไว้เสมอสี่รักษาความตื่นรู้ให้สม่ำเสมอไว้อันนี้เขาเรียกวความเพียรที่เข้มแข็งแต่ถ้าไม่เป็นไปนตามนี้จะ เ, เป็นความเพียรที่อ่อนแอหมดนะคุณจะเพียรอย่างเต็มที่ก็ถือ ว, ว่าอ่อนแอเพราะมันไม่ใช่องค์ของความเพียรใช่ไหมคุณเล็กพอเราวังคอย คอเฝ้าระวังรู้เปล่าว่าความง่วงไม่เกิดเมื่อไหร่คอยเฝ้าระวังมั้ยอ๋อไม่ใช่แสดงมันเกิดไปแล้วนในที่เจหน้าจาวอ่านั่นก็ในข้อที่หนึ่งให้เฝ้าระวังขณะที่มันยังไม่เกิดอ่านั่นเห็นไหมพลาดข้อนั้นใช่พลาดข้อนั้นบ่ไม่แล้วว่าไปแล้วเาระวังตอนที่มันเกิดแล้วไม่ทันเนาะมันขโมยเข้าบ้านคุณไปแล้วเฝาระวังมันเอาของมาเรียบร้อยแล้วเรือ่อว่างัวหายล้องพ่อไม่ทันเนาะ คุณต้องร้องพ่อก่อนวัวหายนั่นกะระวังกันนะนี่เรียกว่าศรัทธาในความเพียรยังงอนตรงที่ว่าเราไม่สมมุติว่าเราพ่อพอความม่วงคุปปะมันเกิดเลยหรือเปล่าดีเท่าไหรใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เพราะว่าที่ถามนี้เพราะว่าม่วงก็ดีนิวนอะไรก็เนี้ยพอมันจะเกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดทันทีมันจะต้องมีจังหวะเกิด ในก่อนที่มันจะเกิดเนี่ยเราจะต้องทําไปสักพักหนึ่งก่อนแต่สักพักนี้จะนานเท่าไหร่ไม่รู้นะมาเป็นยืนเดินก็ได้ก็ก็รู้ว่าพีเปลี่ยนท่าฉพราะนั้นตัวนิวรณ์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะเราอ่าไม่รู้เท่าทันนั่นเป็นต้นเหตุแต่ตัวไม่รู้เท่าทันนั้นเพราะเราเคนอยู่ในระดับหนึ่งระดับใดระดับหนึ่ง แต่ในวิธีแก้ก็คือเราระวังความเพลินพ่อระวังไม่ใช่พ่อระวังความง่วงพ่อระวังความง่วงไม่ทันหรอกแต่พ่อระวังความที่จะเผลอหรือเพลินเริ่มเผลเรือเพลินแล้วก็รู้อาการเผลอเพลินว่ามันเป็นอย่างไรอ่ะเราก็ไปแก้ไขตรงนั้นก่อนก่อนที่มันจะง่วงคือไประวังที่ตัวเผลและตัวเพลินในตอนที่นิวรมาได้อยู่ในห้องหรือนอกห้อง อ๋อทำไมไม่อยู่นอกห้องดูตอนง่วงอ๋อนั่นแหละมันจะตื่นตัวไล่ ย, ยุงมันดีกว่ามุ่งไหมอ๋ม <laughs> อท่อนใหญ่เลยไม่ใช่ทอมเล็กๆ เ, เลยนะ <laughs> มันก็ทําให้เราหายง่วงได้ใช่ไหเพอมันหายง่วงก็เก็บเข้าไปถ้ามันจะง่วงให้มันมายุงมันกินเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีแก่ช่วงง่วงปั๊บออกมาเดินข้างนอกเลย ดูมันจะง่วงไหม <c oughs> นั่นก็แสดงว่าความสบายทำให้เกิด ค, ความง่วงแต่ความไม่สบายทำให้เกิด ค, ความตื่นตัวเพราะนั้นโตบาบเดียวกันเราอยู่ในห้องก็จริงแต่อย่าให้มันอย่าให้มันสบายทำให้ไม่สบายทำไงยืยนขาเดียวบ้างนั่งขาเดียวบ้างแล้วก็เดินถอยหลังบ้างนั่นแ่ะ อย่าอย่าจะใช้อินบุตรสบายในช่วงที่ยังไม่มั่นใจว่ามันไม่ไม่กล่อมจะง่วงนะยังเดินถอยหน้าถอยหลังเดินไม่สบายแล้วมันยังง่วงอยู่ออกมายืนให้ยุงกัดดูว่ามันจะง่วงไหมมันจะมีวิธีอยู่นั่นแหละต้องผลฝ่ายจริงๆนะแต่ถ้าหากว่าเราแก้บ้างไม่แก้บ้างทําท่าจะแก้แต่ว่าง่วงไปด้วยเคยสมภาษานเงินไปนี่แสดงว่าเราไม่จริงใจที่จะแก้ว่า ก็เดินก่อนในช่วงหลังหารนะต้องหลังหันยดี๋ยวก็นั่งก น, นั่งแล้มันมาแต่เดินมาครั้งมันก็สูสัด ส, สูเสนะเลื่นไปเสียไปเสียหาเหมือนกันแล้วก็ในช่วงนั้นมันก็คิดอะไรไม่ออกหรอกวายแก้นะเพราะฉะนี่พอมันทําท่าจะปวดเล้วก็ก็ดูมันแล้วก็วกค่อยเปลี่ยนผู้ที่อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนพอขยับนิดหนึ่งความปวดมันก็ลดลงใช่ไหมมันก็ทำต่อไปได้อีก บังทีเอวแข็งยกขขาหน่อยจะทาต่อไปได้ก็ปรับไปก่อนแปลว่าอาการที่ทําเนี่ยดูดูที่ความรู้สึกที่กายเป็นหลักแล้วดูที่ใจก็โอเคนะวันพรุ่งนี้ให้ไปดูว่านิวรนแต่ละตัวเนี่ยตัวไหนมันมีห้าตัวหนึ่งตัวไอ้ที่เกียดสองตัวเบือ่อ สามตัวง่วงสี่คือฟุ้งห้าตัวลังเลห้าตัวนี้นะว่าผู้เนี้ยว่าตัวไหนมาตัวไหนไม่มาตัวไหนมานานตัวไหนมาสั้นและแต่ละตัวมาอย่างไรผู้นี้อย่าให้ไปดูพวกนี้นะหนึ่งตัวขี้เกียจสองตัวเบื่อสามง่วง สีุ่งซ่านห้าลดลังเลอันนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วไม่ใช่ปัจจุบันถ้ามันผ่านไปเออก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวนี้เรานั่งกับมันอยู่ตื่นอยู่ไม่ได้ไงต้องอกว่าเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่เดี๋ยวนี้วันของวันนี้ปีนี้นะอของเอาเดี๋ยวนี้ของวันนี้และขณะนี้ยังเป็นวิปัสสนาถ้าเดี๋ยวนี้ของวันนี้เดี๋ยวนี้ของเมื่อวานนี้เดี๋ยวนี้ของปีนี้ก็ยังไม่ใช่วิปัสสนานะ ก็เพราะนั้นเอาเดี๋ยวนี้ของเดี๋ยวนี้นั้นพรุ่งนี้ไปดูว่านิวรณ์ยังมีอยู่ไหมคนไหนที่พรุ่งนี้ไม่มีนิวรณ์สักตัวเลยก็จะให้บทเรียนใหม่แต่พรุ่งนี้คนไหนที่ยังมีนิวรณ์อยู่ก็จะมาหาวิธีแก้กันอีกทีนึ่งเอางั้นนะแต่พรุ่งนี้คนไหนไม่มีนิวรณ์เลยทั้งวันจะให้ไปสู่บทเรียนใหม่เพราะฉะนั้นบทเรียนสําหรับพรุ่งนี้ก็คือไปดูว่านิวรณ์ตัวไหนมามาสั้นมายาว เขาแก้ไขอย่างไรจกหรือไม่จบก็ามาสอบวระลมกันคู่นี้เย็นสำหรับคู่นี้เช้าให้ออกอำลังกันอยู่ที่กุฏิแต่ไม่ต้องไปทำด้วยกันนะทำคล้องไขครของมันเอาใค้ <c oughs> องมันตัวเล็กกับคุณดิวให้มาที่นี่ก่อนนะสองคนเพราะเป็นคนใหม่ <c oughs> จะลงกับรับฟ้องกัน